208. ภายในห้องถงกลางที่พักของฝ่ายเชษฐาบัดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นห้องเลี้ยงอาหารขนาดใหญ่พอสมควรแม้จะดูไม่หรูหราเท่ากับที่ศาลาปาริชาติของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องก็ถูกประดับประดาไว้อย่างเป็นระเบียบงดงามด้วยประทีปโคมไฟและปวงดอกไม้นาน า, นาพันธ์อันประดับเป็นซุ้มพุ่ม และเสียบปักอยู่ในแจกันคนโทมองดูผาดผาดเหมือนห้องเลี้ยงภายในโฮเตลขนาดใหญ่ที่ถูกจัดไว้อย่างหรูหราเต็มที่เพียงแต่สรรพสิ่งที่ประดับประดาอยู่นั้นได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในอดีตการย้อนหลังไปประมาณสามพันปีฉะนั้นแผ่นวงกลมสำหรับวางสรรพโภชนาหารและผละไม้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ตั้งอยู่ไม่ห่างกันนะักแท่นหนึ่งจะเป็นที่นั่งรายล้อมของบรรดาพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหมดอันประกอบด้วยลูกหาบของทั้งสองฝ่ายพรานพื้นเมืองอีกสี่คนของระพินหนานอินขยินและส่างปารวมแล้วยี่สิบเจ็ดคนส่วนอีกแท่นวงกลมหนึ่งมีขนาดย่อมลงมาเล็กน้อยแต่จัดประดับไว้หรูหรากว่านั่นเป็นโต๊ะของกลุ่มเจ้านายทั้งหลาย ทางฝ่ายเชฐาสี่คนมีตัวเขาเองชยันอนุชาดารินรพินส่วนทางฝ่ายสแตนลีก็จะมีตัวหัวหน้าคณะอเมริกันคีทอิซาเบลคริสตินาและเชิดบุตรและทัเสเดจมาร่วมด้วยอีกสองคือกษัตริย์จักรราชและราชินีเมยานีรวมแล้วฝ่ายเจ้านายทั้งหมดก็จะเป็นจำนวน12คน รวมทั้งระพินณนะเวลานั้นภายในห้องดูเหมือนทุกคนจะมาชุมนุมกันพร้อมหมดแล้วทั้งฝ่ายเชษฐาและฝ่ายของสเตนลีกับคณะที่เพิ่งจะมาถึงและกําลังยืนจับ ก, กลุ่มสนทนากันอยู่เพื่อรอเสด็จจากกราธิราชและเมยานีซึ่งได้รับสั่งบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเสด็จมาร่วมด้วยอย่างไม่เป็นทางการ แต่เป็นการมาอย่างเพื่อนหรืออีกนายหนึ่งเจ้าภาพทั้งสองพระองค์ยังไม่ได้เสด็จมาถึงแต่อัครมนรีผู้ใหญ่ได้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าจะเสด็จมาถึงในชั่วอีกไม่นานนี้นักส่วนทางด้านของเชษฐานั้นทุกคนกระสับกระสายกระวนกระวายชะเง้อแล่ดูอยู่พระน้องสาวคนเล็กป่านนี้ยังไม่ปรากฏตัวขึ้น ทั้งๆที่ฝ่ายของสแตนลีย์มาถึงพร้อมกันหมดแล้วประมาณสามสี่นาทีและแต่งยิงย้มแย้มแจ่มใสกรากเข้าจับมือทักทายกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระราชสวสนีของเมยานีนั่นก็คือทุกคนล้วนอยู่ในเครื่องแต่งกายเยี่ยงบุคคลชั้นสูงของมรกรนครหลากสีสันซึ่งได้ถูกจัดเรียมไว้ให้ก่อนแล้ว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 เขาได้เลือกเอาชุดเดินป่าที่มีตำหนิขาดน้อยที่สุดและซักไหมเอี่ยมมาสวมใส่ในคืนนี้ทำให้ดูผิดประหลาดแปลกออกไปกว่าทุกคนเพราะแม้แต่พวกลูกหาบทั้งหลายก็ยังถูกสั่งให้แต่งกายเยี่ยงชาวมรกตนครและดูโออารุ๋หราลานตาไปหมดคงมีแต่เจ้านายของพวกเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ในชุดพรานป่าตามเดิมเพียงแต่ว่าดูไม่ถึงกับกระรุ่งกระริ่งนัก เท่านั้นทั้งฝ่ายของสแตนลีที่พักอยู่ด้วยกันและมองเห็นอยู่ก่อนแล้วนั้นคงจะมีการทักท้วงอะไรกันมาก่อนแล้วแต่รพินไม่สนใจคงแต่งกายของเขาตามปกติสภาพไม่ยอมแต่งแบบเดียวกับพวกนั้นและเมื่อเขานำคณะมาถึงฝ่ายของเชษฐาก็พากันร้องโวยวายทักปนหัวเราะลั่นนี่เบลบอกกับผมว่า บีอ r รม a n q ัน n คว you อ r e i อินรอมแต่ผมว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็คือระพินทร์ไยวันน่ะแหละใหญผมต้องแต่งไปอย่างอื่นเลยเขาบอกยิ้มยิ้มกับพวกของเชิฐทาที่พากันมามุงถาม น, นี่ระวังพระราชินีจักริหัวนาพระสง์ขอร้องพวกเราทั้งหมดไว้ชยันทวงขึ้นปนหัวเราะ จะทรงกริวโดวยไม่ผมร่วมโตวสวยด้วยก็ไม่เป็นไรผมจะได้กลับไปหรือจะลงโทษยังไงก็ตามสบายผมก็จะแต่งของผมอย่างนี้แหละเขาตอบมาหน้าตาเฉยแล้วพยายามสอดสายสายตาหาแม่ดอกฟ้าดารินของเขาแต่ขณะนั้นยังมองไม่เห็นแม้แต่งเงาสำหรับฝ่ายเชิฐาและพรานพื้นเมืองของเขาทุกคนขณะนี้ ต่างพากันมองตะลึงแลไปยังสองสาวอเมริกันซึ่งงามแปลกตาไปเหมือนดาราภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉากในเรื่องราวโบราณย้อนอดีตอะไรสักเรื่องหนึ่งฉะนั้นเบนอยู่ในชุดแพรสีชมพูสวยเหมือนเจ้าหญิงในเทพปกรณำของกรีกมีรัดเกล้าเพชรเป็นสร้อยสวมอยู่บนทรงผมและมีเพชรเม็ดใหญ่สีชมพูเช่นกันประดับอยู่เหนืออุณาโลม กลางหน้าผากของหล่อนส่วนคริสติน่าคืนนี้หล่อนอยู่ในชุดยาวเลื่อมเหมือนเนื้อผ้าจะทำด้วยกำรรมะหยี่สีม่วงอ่อนเปิดหลังลึกถ่วงเป็นริ้วอยู่ตรงคอเบื้องหน้าชุดประดับของหล่อนเป็นไพลินและนินประดับเพชรล้วนงามอย่างเยือกเย็นและเร็นลึกสวยจริงๆสวยยังยจับจิตทั้งสองคน เป็นพระดำรีที่ดีมากของราชินีเมยานีที่เธอทั้งสองแต่งตัวแบบชาวมรกตนครเช่นนี้เชิฐารองทักพร้อมกับหัวเราะเบาๆขณะที่เข้ามาโอบแตะไหลทั้งสองอย่างสนิทสนมเอ็นดูขอบคุณค่ะพี่ใหญ่สองสาวอเมริกันเอ่ยขึ้นพร้อมกันเสียงของคริสติน่านั้นแผ่วและสำรวมอ่อนโยนส่วนเสียงของเบลดังแหลมพร้อมกัน แม่ผมแดงก็ทําเป็นมองกว่าตาไปรอบๆนี่ฉันกำลังมองหากล้องทีวีหรือกล้องถ่ายหนังอยู่นะคะเอนนี่เขาแอบตั้งไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าคำพูดของหล่อนทําให้ทุกคนหัวเราะคลืนบรรยากาศเต็มไปด้วยความแช่มชื่นคลื่นเคร่งอนุชาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้คริสตินาจ้องอย่างพินิษลึกซึ้งแล้วกระซิบเบาๆว่า นี่คุณไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนเมื่อไหร่อย่างไรคุณก็งามสง่าเหลือเกินนะคริสงามอย่างชนิดที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องอิจฉาแต่คืนนี้คุณไม่น่าจะเลือกชุดสีม่วงเลยนะเพราะว่ามันขับผิวคุณก็จริงแต่เราถือกันว่าสีม่วงเป็นสีแห่งความผิดหวังครับคริสติน่ายิ้มออกมาจางๆเอื้อมมือมาจับมืออนุชาไว้ แล้วกล่าวกับเขาอย่างสนิทสนมว่าพี่กลางคะฉันไม่คิดหรอกว่าฉันจะต้องมีความผิดหวังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จผลรุล่งรุ่งไปแล้วและฉันก็หมดหน้าที่ในการมาทำงานเพื่อไถ่โทษไถ่ถอนความผิดตามทันบนที่หน่วยเหนือเขาให้ไว้แล้วอ้นี่น้อยอยู่ไหนคะเนี่ยตั้งแต่พวกเรามาถึงก็มองหาอยู่ยังไม่เห็นเลยโอ้ย แม่นี่แต่งตัวช้าที่สุดถ้ามีเวลาประเดี๋ยวคงก็ออกมาแล้วมั้งชัยยันเป็นคนโล่งออกมาจ้องทั้งคริสติน่าและเบลตาเป็นมันผิดไปกว่าทุกครั้งจนเชษฐาต้องตบหลังโดยแรงเหมือนจะเตือนเมื่อ น, นั้นชัยยันจึงรู้สึกตัวยิ้มแย่ๆ ห, หันไปทักทายกะคิดและสแตนลีซึ่งกำลังคุยอยู่กับเชษฐาฮิคืนนี้เราคงจะรับประทานอาหารกันอย่างโล่งอก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 เราคงมีโอกาสได้คุยอะไรกันสนุกสนานนานเป็นพิเศษทีเดียวนะครับสำหรับคืนนี้อดีตพรานชดว่าพวกผมกำลังมองหาฝ่ายของคุณอยู่คนหนึ่งนะครับเอเธอไม่ปรากฏตัวอยู่ที่นี่ด้วยคุณหญิงดารินไงครับคิดเอ่อยออกมาพลางกวาดตามองไปรอบๆเดี๋ยวคงออกมาลวมั่งนี่ก็ใกล้เวลาเสด็จแล้วนี่ พาะเรามีความรู้สึกสีใจบ้างเล็กน้อยนะที่ไม่มีโอกาสจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับประพินและคุณหญิงดารินด้วยเมื่อคืนนี้เราเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องระหว่างกันเองภายในโดยเฉพาะแต่สาหรับคืนนี้เราขอถือโอกาสนี้มาแสดงความยินดีด้วยสเตลีเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแยม้มเชษดถามีอาการงงเล็กน้อยเอ๊ะท่านใหญ่ก็บอกอะไรคุณหรอครับ โธ่ oh. รพินเหรอจะบอกอะไรกับพวกเราไม่มีวันใช่ละถ้าเขาจะบอกกับเราก็นูน่นพายุร้ายกําลังจะมาหรือไม่ฉะนั้นอันตรายกําลังใกล้เข้ามาแล้วฮนอกนั้นก็ไม่เคยบอกอะไรพวกเราหรอกแต่ที่เราทราบข่าวดีนี้ก็ทราบจากบรรดาพราลลูกน้องสี่คนของเขานั่นก็คือรพินได้แต่งงานกับสตรีคนที่เขาแสนรักนั่นแล้วเมื่อคืนนี้ต่อหน้าพวกคุณทั้งหลายรวมทั้ง กษัตริย์จักรราชและราชินีเมยา น, นีผู้เป็นสักขีพยานอยู่ดูยินดีด้วยจริงๆนะครับแม้พวกเราจะไม่มีโอกาสได้ร่วมรู้เห็นด้วยก็ตามคืนนี้จึงขอถือโอกาสฉลองซะเลยหัวหน้าคณะอเมริกันกล่าวปนหัวเราะกระเชิฐาผู้อึ้งไปขณะหนึ่งแล้วอดีตท่านทูตทหารบุกก็บอกต่อมาว่าการแต่งงานระหว่างระพินกันน้อย ไม่ได้มีการตรัเเรียมอะไรจากพวกเราก่อนทั้งสิ้นเลยครับแต่เป็นการวางแผนไว้ก่อนแล้วของพระเจ้ากรุงมรกนครกับพระราชนีพวกเราก็เลยจาเป็นต้องตกบันไดพลอยโจรน่ะไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรพวกคุณหรอกและถึงไม่แต่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเขาทั้งสองก็จะต้องมีชีวิตครองคู่กันอยู่แล้วล่ะเพราะเขารักกันมากแล้วก็ติดตามกันมาจนสุดล่าสุดแผ่นดินหรือไงระพิน ประโยคหลังเชิฐาหันไปถามระพินยิ้มยิ้มจอมพรานก้มศีรษะตอบมาอย่างสงบเสงี่ยมว่าครับผมระหว่างผมกับคุณหญิงดารินนั้นถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานถึงอยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลานนี่แหละครับ คือสิ่งที่เราทั้งสองตั้งแบบปานิทานเอาไว้ตรงกันครับฝ่ายอเมริกันฟังแล้วก็ยังงงงงอยู่แต่เชษฐาอนุชาและชายันตบมือกันเกลียวขอให้มันไปอย่างนั้นเหอะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็สามบาถาทีเดียวนะคุณที่จะยุม้มรุมเหยียบคุณนะ่ะชัยยันร้องออกมาเอ๊ะีรพินพูดเมื่อครู่นี่หมายถึงอะไรยังไงล่ะคะเนี่ย เบนถามฝ่ายของเชษฐาขึ้นอนุชาเป็นฝ่ายตอบแทนขึ้นมาว่าเขาพูดเป็นคำกลอนโบราณน่ะซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับว่า I'll be loving you eternally ยู you ในที่นี้ก็หมายถึงน้องสาวของพวกเรานั่นเองและถ้าเขาไม่ให้สัตว์ปฏิญาณออกมาแบบนี้แล้วก็เขาตายแน่ตายจริงๆด้วย ว่าแล้วอนุชาก็กอดคอรพินพาเดินแยกกลุ่มออกไปกระซิบนี่ระพินพูดกันอย่างลูกผู้ชายไอ้คุณไม่เคยเห็นคริสติน่าสวยในสายตาคุณมั่งงไงดูคืนนี้ดิคุณอลิซาเบธเ ท, ทเลอร์สมัยยังสาวๆอยู่ทำอะไรคริสไม่ได้เลยนะพรันใหญ่ยิ้มขึ้มขึ้นผมยอมรับครับคุณชายกลางว่าคริสน่ะสวยมาก แต่ถ้าผมรักน้องสาวของคุณชายกลางไม่ใช่เพราะความสวยนะครับแต่รักเพราะคุณงามความดีประจาตัวของเธอต่างหากเธอมีความเมตตาปรานีต่อผมมาตลอดอย่างเสมอต้นเสมอปลายและคนอย่างผมก็บังเอิญมีรักเดียวใจเดียวไม่ถือโอกาสหรือหาเศถาเลยกับผู้หญิงอื่นด้วยใช่ครับดีมากไอ้น้องชายอนุชาเน้นเสียงแล้วตบไหล่เขาหนักๆ พร้อมกับพยักหน้างึกเึกเออไม่เสียแรงที่ตามมานะคุณไม่ทําให้น้อยผิดหวังก็เหมือนกับไม่ทําให้พวกผมผิดหวังไปด้วยน้อยนะ่าแทบจะล้มประดาตายเมื่อทราบข่าวว่าคุณจากหนองน้ําแห้งมาแล้วก็ทะเลาะกับผมมาตลอดทางเพราะผมไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงต่อความรักถึงขนาดนี้แต่เขานะ่ยเชื่อมั่นในตัวคุณเสมอแหละกระพินกระพุ่มมือไหว้ ผมก็รู้สึกซาบซึ้งจนไม่อาจจะกล่าวอะไรได้แล้วล่ะครับสำหรับความการุณาของพวกท่านทุกคนที่มาติดตามผมในคราวนี้ครับเมือ่อดารินวราริศก้าวเข้ามาในห้องอันกำลังจับกลุ่มสนทนากันอยู่นั้นเสียงคล้องชายจากที่ใดที่หนึง่งซึ่งดูเหมือนจะมีการจัดเตรียมกันไว้ก่อนแล้วก็ลั่นกังวานขึ้น กระหึมไปทั้งห้องตัวหล่อนเองกำลังก้าวเดินอย่างเร่งรีบก็พลันชะงักหยุดกึกเพราะเสียงคลองนั้นเช่นกันในขณะที่ทุกคนณที่นั้นหันมาและมองเห็นหล่อนเป็นตาเดียวความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินก็พลันปรากฏขึ้นณที่นั้นทุกคนเมื่อจ้องมาพบน้องสาวคนเล็กของคณะ ก็พากันตะลึงตาค้างกันไปหมดระพิงจ้องเขม็งแล้วกระซิบออกมากับตนเองอย่างเบาที่สุดว่าจิตรางคันนางทั้งหมดในสถานที่นั้นแม้แต่พวกพี่ชายของหล่อนเองบัดนี้ก็จ้องตะลึงกันไปหมดในสิริลักษ ร, รูปโฉมและเครื่องประดับของน้องสาวที่ทุกคนไม่คาดคิดไปถึงมา ก, ก่อน ว่าหลอนจะถูกตกแต่งให้กลายเป็นเจ้าหญิงอย่างแท้จริงไปถึงเพียงนี้ น, น, นั่นนั่นน้อยเหรอใช่แน่เหรอชัยยันยกมือขยี้ตาพึมพำออกมาในขณะที่อนุชาและเชษฐายืนจ้องนิง่งการปรากฏกายของดารินสะกดทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นให้สนิทนิ่งไม่ไหวติงไปชั่วขณะ และดูเหมือนจะทำให้ภายในสถานที่อันเป็นที่จัดเลียงนั้นสว่างสวยเรืองรองไปหมดด้วยถนิมพิมพ์พาพรที่ประดับอยู่ทางด้านของสเตลลีนั้นพากันเขม็งจ้องดูอย่างตื่นตื่นและมีเสียงผิวปากเปิ้ยวออกมาเบาๆอยากนายคิดพร้อมกับพึมพำ อ, ออกมาอย่างลืมตัวไม่น่าเชื่อสายตาเลย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 และกกำลังยืนอยู่ที่นั่นไม่ผิดไปหรอกจริงด้วยหลอนคล้ายเจ้าหญิงในภาพแกสลักองค์นั้นมากเบลอุทานออกมาอีกคนหนึ่งดารินมองทุกคนที่กำลังจ้องตะลึงอยู่ที่หลอนด้วยความกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยสภาพการแต่งกายของหลอนยามนี้มันโดดเด่นออกไปเหลือเกิน ซึ่งหล่อนรู้ตัวดีและทันทีนั้นหล่อนก็ทําลายสภาพอันตื่นตะลึงและสภาพที่ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกเก้อเขินนั้นโดยการยื้งย่างตรงเข้ามายังบริเวณที่ทุกคนยืนอยู่ในทันทีโดยใบหน้าอันยิ้มระรื่นโบกมือทักทายให้แก่พวกพี่ๆของหล่อนและเดินตรงไปจับมือทักทายกับคริสติน่าและเบลพร้อมกันขอโทษด้วยขอโทษนะสําหรับทุกคน ที่ฉันโผลกมาล่าช้าที่สุดพวกนั้นสิช่วยกันจับฉันแต่งตัวซะอย่างเป็นบ้าเป็นหลังหวังว่าฉันคงไม่เป็นตัวตลกสำหรับทุกคนนะเสียงเบนเกี้ยวเกากล่าวชมชุดของดารินลั่นไปหมดแต่สำหรับคริสตินา่าดึงเอาหล่อนเข้าไปกอดไว้แน่นสัมผัสนั้นบอกความรู้สึกแก่นแท้จริงใจแหกความเป็นมิตรรักใคร่สนิทน้อย เธอควรจะสวยที่สุดสำหรับคืนนี้ถูกต้องนล่ละเพราะเธอเป็นเจ้าสาวพวกเรามากันในคืนนี้ทั้งหมดไม่ใช่เพราะต้องการมาร่วมสังสรรค์ตามรับสั่งเชิญขององค์จักรราชและเมยานีอย่างเดียวแต่พวกเราทั้งหมดมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเธอแล้วก็ครูรพินด้วยคริสนี่นีแ่แปลว่าเธอดารินร้องออกมาเบาๆอย่างตื่นเต้นอีกฝ่ายยิ้ จูบที่แก้ ม, มเบาๆใช่พวกเรารู้กันหมดแล้วละ่ะด้วยความยินดียิ่งและเข้าใจอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่ว่าเหตุใดเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเราจึงไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมในงานด้วยแต่ก็จะมีโอกาสในคืนนี้ยังไงเธอเป็นทั้งเจ้าหญิงและก็เจ้าสาวในคืนนี้แต่น่าเสียดายเป็นนิดนะที่เจ้าบ่าวของเธอยังสงบสงเเห่งเจียมตัวจนเกินไปดูก็แต่งตัวมาหาเธอคืนนี้สิ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 แต่ก็ยังพูดกับคริสติน่าว่าสำหรับฉันเขาจะแต่งตัวอยู่ในชุดไหนยังไงเขาก็คือเจ้าชายและเจ้าบ่าวของฉันอยู่ตลอดไปนั่นแหละระพินจะไม่ใช่ระพินไปได้เลยถ้าเขาไม่อยู่ในชุดโกโรโกโซเช่นที่เราเห็นจนคุณตาชุดนี้และฉันก็ชอบนะที่เขาจะมีลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นการดีมากที่เธอไม่หงุดหงิดเกลี้ยกล่อมหรือคุนเคืองเขา ในการที่เข้ามาในงานคืนนี้ด้วยชุดเดิมชุดนี้เบลบอกมาปนหัวรอคี่ขี่ขีและเมื่อ น, นั้นเองเชิดบุตรคีตและสแตนลีย์ก็เข้ามายิ้มแยม้มกล่าวทักทายชมเชยหล่อนสำหรับเชิดบุตรกระซิบว่าคืนนี้พี่หญิงของผมสวยส ง, ง่าเหลือเกินราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายพี่ชายของผมมองอยู่ด้วยความสุดปลื้ม น, นนะครับ งั้นเหละอน้องชายเอาเถอะให้เขามองอยู่อย่างงั้นแหละเพราะเขาไม่ได้มองเห็นพี่อย่างนี้มานานแล้วนานนับอนันตกาลทีเดียวหล่อนเน้นเสียงโดยที่เชิดบุตรไม่ทราบความหมายและภายหลังสนทนากับสแตนลีคิดและเชิดบุตรอีกสองสามประโยคหล่อนก็เดินตรงไปยังกลุ่มของพี่ชายทั้งสมที่พากันกระพริบหาปริบปริบกันอยู่อย่างมุนงงโอ้โห เสียงพี่ชายใหญ่ครางต่ำๆในลำคอพิษ ด, ดูหลอนจากศีสะจะรดปลายเท้าอะไรกันนี่น้อยทำไมคะพี่ใหญ่ยิเกหลงโรงเลยคะน้องสาวเอียงคอถามอมยิม้มประกายเครื่องประดับบนกายของหลอนส่องแสงวาววูบวาบลานตาไปหมดนี่ทำไมน้อยแต่งตัวประหลาดไปถึงเงี้ย มัเกินสภาพของเราในมรกฎนครนี่นะแล้วคืนนี้ราชินีเมยานีก็จะเสด็จมาร่วม ง, งานด้วยมันจะไม่เป็นการสมควรนะกดทั้งราชินีเมยานีแล้วก็ทั้งจักกาธิราชนั่นแหละค่ะบังคับเป็นน้อยต้องแต่งอย่างนี้หล่อนต่อไปตามตรงน้อยแต่งตัวเองเมื่อไห ร, เร่เล่าสิ่งของเหล่านี้น้อยไปเอามาจากไหน ถ้าไม่ใช่เพราะราชสำนนักมรกรนครจัดเตรียมไว้หมดทุกอย่างจะไม่แต่งก็ไม่ได้ถูกบังครับขนาดเมยานีเองยังแอบเข้าไปยืนคุมกำกับอยู่เลยน้อยนะ่ะนั่งใน้พวกนางข้าหลวงกำนันพวกนั้นน่ะจับแต่งตัวเองเหมือนเป็นตุ๊กตาจะปฏิเสธหรือแสดงความเห็นยังไงก็ไม่ได้สักอย่างก็เพราะอย่างนี้ไงคะถึงได้โผล่มาช้า ก, กว่าทุกคนทั้งๆ ท, ท, ที่ใครๆก็มาถึงสถานที่นี้กันหมดละ สามชายมองหน้ากันเองอีกครั้งอย่างงงงพูดอะไรไม่ถูกแต่ก็ชื่นชมสมนัทที่เห็นน้องสาวอยู่ในชุดที่สง่างามเพลิดเพลียไปหมดทั้งเรือนร่างคริสติน่าริเบนนั้นก่อนดารินจะปรากฏตัวออกมาทั้งสองสาวอเมริกันถึงจะเป็นเจ้าหญิงก็เจ้าหญิงของประเทศสลาหรือประเทศในอนาณาณิคมเท่านั้นทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมด แม้แต่เจ้าตัวของคริสและเบลเองและที่สังหารเหนือกว่าว้าเครื่องประดับใดๆก็คือมองกุฎไพรชอบปักษาสวรร์ที่สวมประดับอยู่รอบศีรษะของหลอนนั่นเองหลอนพละจากบรรดาพวกพี่ๆที่กำลังจ้องสำรวจเรือนกายของหลอนอยู่เดินตรงเข้าไปยังรพินไพรวันผู้ยืนสงบแยกกลุ่มออกมาเล็กน้อยและมองจับ การเคลื่อนไหวของหล่อนอยู่ทุกขณะได้มาหยุดยืนอยู่ดรงหน้าและส่งมือทั้งสองไปให้เขาแล้วกระซิบถามว่ามีอะไรผิดแผกไหมคะมีเขาตอบมาหน้าตาเฉยอะไรเอย่ยแกไปนิดคุณหญิงเมื่อครั้งกระนั้นนะสาวกว่านี้หน่อยแทนที่จะโกรธ ดารินกลับปล่อยคิกคิกคิก ค, คิใช่ค่ะฉันแก่ไปหน่อยละเมื่อเทียบกับผู้หญิงคนนั้นในอดีตแล้วก็ดูให้ดีสิตราสิงหราชที่ติดอกฉะเนี่ยของใครของยุพ ร, ราชแห่งแคว้นปัญจาละปลับติดอุระให้แก่มากราชกุมารีจิตรางคนาณาราตรีที่จะพละจากกันในอุทยานแห่งนั้น แง่สายเก็บส่วนละเอียดไว้ได้หมดเลยขอบคุณนะคะที่ยังจำได้แล้วเห็นไหมคะบนศีรษะของฉันนี่คืออะไรครับนี่นะเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาและเทิดทูนที่สุดในบรรดาเครื่องอิสริยยศทั้งหลายเพราะมันเป็นมงกุฎจากใจของใครคนหนึ่งที่เคยสวมไว้ให้เช่นกันใช้ได้ สำหรับความทรงจำก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะเมื่อจิตกลางคนาได้พบกับประพินไพรวันแทนที่จะพบอัคคิรุษทั้งสองตอบโต้กันด้วยเสียงแผวกระซิบซึ่งจะได้ยินเฉพาะสองต่อสองเท่านั้นขณะนั้นเองก็มีเสียงคองกระหึม่มตังวานขึ้นอีกครั้งหนึ่งทำให้ทุกคนไหวตัวพร้อมกัน มหามนตรีก็ก้าวเข้ามาก้มศรีรษะโค้งทุกคนพร้อมกับประกาศก้องว่าองค์จักราธิราชและมหาราชินีเมญานีเสด็จแล้วเสียงพูดกันแซ่บในห้องนั้นเงียบกริบลงชั่วขณะทุกคนยืนสำรวมกายนิ่งหันไปยังปากทางเข้าเป็นตาเดียว ในลักษณะเหมือนจะเป็นการตั้งแถวรับเพียงแต่ว่าใครยืนอยู่ตำแหน่งใดก็ยืนอยู่ณที่นั้นเท่านั้นโดยไม่ขยับขยืดครั้นแล้วพระสิริลักษณ์อันงามสง่าของทั้งสองพระองค์ก็เสด็จดำเนินผ่านมุมบังของทางเข้าด้านหน้าเข้ามาทั้งจักราธิราชและราชินีเมญานีต่างอยู่ในฉลององค์ชุดปกติธรรมดา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 พวกผู้ชายก้มศีรษะลงถวายเคารพและพวกผู้หญิงอันมีเพียงสามคนย่อกายลงถอนสายบัวจักรราชบูกระหัสขณะที่เสด็จดำเนินเข้ามาพร้อมกับรับสั่งขึ้นด้วยสำนวนและพระกระแสสุระเสียงปกติอย่างสามัญชนว่ายินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกแล้วไงว่าคืนนี้เราจะพบกันอย่างไม่เป็นพิธีการใดๆทั้งสิน้น นอกจากความเป็นเพื่อนเท่านั้นเห็นไหมผมมากับเมียเพียงสองคนเท่านั้นเองเราอย่าไปคํานึงถึงพนักงานรับใช้หรือบริกรที่จะให้ความสะดวกทั้งหลายซึ่งเขาต้องทํางานตามหน้าที่เลครับพระสุรเสียงนั้นกังวานก้องไปทั่วได้ยินชัดเจนทุกคนพร้อมกับเสือนเบาๆถอดเนตไปยังทุกคนตามลําดับพร้อมทั้งเอ่ยนามของแต่ละบุคคลเหล่านั้นเบาๆ เ, เหมือนจะตรวจนับว่าครบจํานวนบุคคลหรือไม่ แล้วเมื่อมาถึงดารินพระองค์ก็แย้มสวนกว้างออกไปอีกจนเห็นไรทนมีพระอาการเหมือนจะน้อมเสียนแสดงคาระวะน้อยๆซึ่งถ้าใครไม่สังเกตให้ละเอียดก็จะไม่ทันเห็นอาการนั้นรับสั่งว่านายหญิงของผมสว่างสดใสามากครับในคืนนี้อดีตการกกำลังชนกับปัจจุบันนาการและทิวากำลังพบกับราตรี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 เหมือนเดไลาลาผู้เลยโฉมผมและเมียาณีรู้สึกเป็นสุขมากครับทรงรับสั่งเหมือนบุคคลที่อยู่ในโลกแห่งอารยธรรมภายนอกในปัจจุบันนี้นะเพคะเบลทูลขึ้นบนหัวเราะอกกระเพื่อมจั ก, กรราศเลิกพระขนงขึ้นน้อยน้อยอา้าวก็คุณทุกพวกคุณไม่ได้รู้มาก่อนหร อ, อกเหรอว่าผมหนีออกมาจากโลกแห่งอารยธรรมภายนอกในยุคนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง ถ้าไม่ใช่ที่มรกฎนครนนี่ผมก็คือมนุษย์ปกติธรรมดาเหมือนอย่างพวกคุณนั่นแหละพูดภาษาของพวกคุณเรียนรู้อารยธรรมของพวกคุณซึ่งเจริญแต่เฉพาะในด้านวัตถุเท่านั้นส่วนศีลธรรมจริยธรรมกำลังดิง่งลงสู่ความหายนะรับสั่งดังนั้นแล้วก็สวนออกมาอีกเบาๆในหลังพระสทุกคนของฝ่ายอเมริกันถึงกะพากันอึ้งคอแข็งกันไปหมด เบนฝืนยิ้มเจนเจือนทูลตอบมาว่าทรงรับสั่งว่าหม่อมชั้นทั้งสองคนหนึ่งเหมือนชีบาและอีกคนนึงเหมือนเดลล่าหม่อมฉันอยากจะให้ทรงชี้ให้ชัดนะเพคะว่าคนไหนคือชีบาและคนไหนคือเดไลล่าจักรราชีพระหัตต์ไปที่หล่อนรับสั่งว่าคุณอิสเบรคุณเหมือนนางพญาชีบามาก เพชรเม็ดที่ประดับอยู่บนหน้าผากของคุณเม็ดนั้นะเป็นเม็ดสีชมพูผมคิดว่าถ้าหลุดออกไปสู่ตลาดเพชรที่นิวยอร์กได้ราคาคงไม่ต่ํากว่าห้สิบล้านดอลลาร์เพคะหม่อมชั้นภูมิใจมากเพคะที่มีโอกาสได้สวมสร้อยประดับเพชรเม็ดที่มีค่าสูงมากซึ่งในชีวิตของหม่อมชั้นจะไม่มีโอกาสเลยแม้แต่จะเห็นและถ้าอย่างนั้นในสายพระเนตร เดลล่าก็ควรจะเป็นคริสติน่าไปคะใช่ไหมใช่แล้วคริสติน่าเหมือนเดลล่ามากที่สุดงามอย่างมีสเสน่ห์ลึกหลับรับสั่งพลางน้อมเสียนลงเล็กน้อยทอดพระเนตรจับมาที่คริสติน่าผู้ซึ่งย่อกายลงถวายเคารพอีกครั้งทูลตอบว่าแต่หม่อมฉันจะไม่เป็นเดลล่าที่หักหลังทรยศต่ตอแซมซันหรอกเพคะ เป็นเดลิล่าที่ไม่มีพิษสงอะไรอีกแล้วล่ะก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะในเขตรมรกฎนครนี่รัศมีแห่งศัทธาธรรมได้แผ่เข้าครอบงำดวงจิตของคุณแล้วว่าแต่ทรงแซงทาเป็นกวาดเนตรค้นหาและรับสั่งต่อมาว่านี่แซมซันของผมหายไปไหนแล้วเนี่ยดารินเป็นคนตอบแทนให้พร้อมท้งพยักหน้าไปทางระพิน น้อนยังไงคะแซมสั้นของพระองค์แซมสั้นผู้ไม่มีพระกําลังใดๆเหลืออยู่อีกแล้วพระหม่อมชันเป็นผู้ตัดผมของเขาออกไปซะเองไม่ใช่เดลล่าเป็นผู้ตัดหรอกเขายืนผอมสี่โครงบานอยู่นั่นไม่ได้อุดมไปด้วยมัดกล้ามอย่างใดทั้งสิ้นมีหน้าซ้ํายังขัดพระราชเสาวนีของราชินีเมยานีที่ทรงขอร้องให้พวกเราทุกคนรวมทั้งเขาด้วยแต่งกายเยี่ยงชาวมรกตนคร แต่เขากลับมาแต่งในชุดพรานป่าพเนจรและดูทุเรศในตาอยู่เหมือนเดิมจักรราถันไปพบระพินก็สวนลั่นออกมาอย่างขบขันระคนพึงพอพระทัยยิ่งในวาจาอันเฉียบคมของดารินและสภาพอันยืนสงบนิ่งวางหน้าไม่ถูกของระพินอ๋ออยู่นั่นเองเหรอแซมสันแต่งชุดพรานป่าอยู่เหมือนเดิมว่ายังไงเมยานี เขาขัดคำสั่งเธอไประโยคหลังทรงหันไปโอบกริฎดีของราชินีแสนสวยพลางรับสั่งถามยิ้มยิ้มสำหรับรายนี้ยกเว้นให้สักคนหนึ่งไปคะเขาไม่ยอมเล่นละคกรกเราด้วยและหม่อมชั้นก็ไม่ได้ถือโทษยังไงทั้งสิ้นหรอกไปคะพลางเมียนี้ก็สวนขีๆๆรับสั่งสุรเสียงดังกลัวสวนไปทางพรานใหญ่ว่า ทำสบายนะคะพิรพินจอมพรานก้มศีรษะลงนิดหนึ่งยิ้มมุมปากเป็นพระมหากรุณาที่คุณทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะจักรราชทรงทักทายเชษถาอนุชาชายันตลอดจนฝ่ายของเมริกันทุกคนทั่วหน้ารวมทั้งหันไปบุกประหัตให้กับพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองของรพินด้วยและรับสั่งให้ทั้งหมดเข้าประจาที่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 นอกจากเราจะร่วมเซวนาปราศัยร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วเราจะมาดื่มฉลองแก่บ่าวสาวคู่หนึ่งซึ่งได้ผ่านพิธีวิวาไปแล้วเมื่อคืนนี้ด้วยเป็นเสมือนพี่ชายและพี่สาวของผมเองผู้กองระพินไพรวันและคุณหญิงดารินวราริตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่าน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 และญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเป็นผู้จัดดําเนินการให้และพวกเราทุกคนมีความยินดีมีความสุขด้วยฉะนั้นทุกท่านครับก่อนที่เราจะนั่งลงและสนทนารับประทานอาหารกันผมอยากจะขอร้องให้ทุกท่านหยิบถ้วยขึ้นมาถือไว้ในมือขอร้องนะครับเดี๋ยวนี้ ยกเว้นคู่บ่าวสาวเท่านั้นที่ขอยืนจับมือกันไว้เฉยๆเช่นนี้ก่อนครับทุกคนตื่นเต้นต่างรับถ้วยมาจากนางพนักงานซึ่งดูเหมือนจะเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วมาถือไว้ในมือพร้อมกันพนักงานอีกชุดหนึ่งก็เข้ามารินเมลัยชั้นเลยอันกลั่นหมักด้วยผลไม้บางชนิดส่งกลิ่นหอมจะรุงชวนดื่ม ลงในถ้วยที่หยิบขึ้นมาถือในมือทุกคนรวมทั้งของพระเจ้ากรุงมรกฎนครและราชินีเมญานีด้วยเมื่อชาวพนักงานหรือบริกรที่คอยปรนิบัติรับใช้อยู่เหล่านั้นได้ถอยห่างออกไปแล้วจากกราธิราชเจ้าก็สงชูถ้วยในพระหัตถ์ขึ้นสูงทุกคนปฏิบัติตามและเมื่อนั้น ก็สรงประกาศกล้องขึ้นว่าในาน้ำของพระศิวเทพและศรีมหาอุมาเทวีในาน้ำของจักราธิราชเจ้าราชินีเมญานีประชาชนชาวมรกกนครทั้งหลายพรานทั้งสีของระพินและลูกบ้านน้องน้ำแห้ง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 และไม่มีสิ่งใดที่จะต้องมาทำให้พลัดพรากจากกันอีกแล้วไปตลอดชั่วอายุไขขอให้ทุกท่านทุกคนณนะที่นี้ดื่มให้แก่คู่บ่าวสาวทั้งสองพร้อมกันด้วยครับณนะบัดนั้นภายในห้องก็แซ่สนันไปด้วยเสียงโห่ร้องพวกอเมริกันก็เปลงคำฮิปฮิปฮิเร่ ส่วนฝ่ายไทยก็ชัยโยขึ้นสามครั้งแล้วต่างลถถ้วยลงมาดื่มจนหมดเกลี้ยงด้วยความพลอยปลาดปลืม้มยินดีและเต็มใจยิง่งรพินดารินยืนเคียงจับมือกันบีบแน่นกายสั่นน้อยๆด้วยกันทั้งคู่ด้วยความปีติโสมนัตจนสุดที่จะบรรยายได้ ในพระเมตตาของจักราธิราชเจ้าซึ่งทรงดำเนินการให้ทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่จัดเตรียมไว้แล้วอย่างเหมาะเจาะมีจังหวะจกโคนและบัดนี้เสียงของชัยก็ได้ประโคมขึ้นอีกดังกระหึ่มก้องไปทั่วเป็นจำนวนหลายใบที่มองไม่เห็นแต่ดูเหมือนจะรายรอบไว้ทั่วปราศาสตร์หลังนั้น มันดังช้าขึ้นก่อนในจังหวะแรกแล้วก็เร่งทีรัวขึ้นยิบครั้นแล้วเมื่อกางวางคล้องได้สุดสิ้นไปเสียงแตร ى, ปรีกลองและสับพดุริยางก็บันเลงขึ้นในทันทีทั้งคู่มีหยาดน้ำตาคลอเบ้าด้วยความปลาปลืม้มจนสุดที่จะพันนาได้ ต่างหันมามองหน้ากันและบัตรนั้นก็โผเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันผลัดกันจูบแก้มซ้ายและขวาต่อมาก็จะรดริมฝีปากสนิทแนบเข้าหากันท่ามกลางเสียงโหร้องอยู่รอบ ก, กายที่ดังอยู่ซ้ำๆเช่นนั้นเวลาแห่งความปราบรื่นปิตินั้น ได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียวจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆจางหายลงไปคงเหลือไว้แต่เพียงเพลงพินไพระที่บรรเลงลอยมาเบาๆ เ, เราไม่มีเวดดิ้งดริงที่นี่จักรรารงรับสั่งขึ้นอีกท่ามกลางความเงียบนั้นแต่เราก็มีสัพดุริยางเพื่อการสยุมพร เป็นการอวยชัยให้พรครบถ้วนตามจารีตประเพณีของมรกฎกนครเอาละบัดนี้ทุกท่านได้มาเป็นสักขีพยานในการวิวาของพี่ชายและพี่สาวของผมพร้อมทั้งประสาทพรให้แล้วผมขอเชิญให้ทุกคนนั่งลงประจำที่ได้แล้วครับระหว่างที่รพินและดารินยังยืนในสภาพที่ตื่นตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้น ราชินีเมยานีก็เข้ามาจับแขนดารินเชื้อเชิญให้นั่งลงยังตำแหน่งหนึ่งและจักรราศก็ชุดแขนระพินให้นั่งลงเคียงคู่พระเจ้ากรุงมรกตนครหย่อนพระองค์ลงประทับขนาดข้างรพินในขณะที่ราชินีเมยานีก็ประทับลงข้างดารินต่อไปจึงเป็นเชิดาซึ่งชิดอยู่กับเมยานีอีกทีหนึ่งส่วนทางด้านซ้ายของจักรราศนั้น คือด็อเตอร์สแตนลีย์เบนนั่งสลับอยู่ในระหว่างอนุชาและชยันคริสติน่านั่งอยู่ในระหว่างเชิดบุตรและคีตล้อมรอบเป็นวงกลมเอ้นี่จะบ่าวเจ้าสาวจะไม่กล่าวอะไรกับพวกเราบ้างเลยหรือครับเนี่ยพระเจ้ากรุงมรกนครทรงรับสั่งขึ้นบนแย้มสวนภายหลังจากที่ทุกคนได้นั่งกันเรียบร้อยรายรอบแล้ว ระพินหันไปมองดูเจ้าสาวของเขาซึ่งไม่คิดว่าจะได้มาเข้าพิธีแต่งงานในมรกรกครแห่งนี้ดารินเอามือลอดใต้แท่นวงกลมมาจับมือเขาแน่นแล้วพยักหน้าฉันพูดอะไรไม่ออกแล้วละ่ะรบพินคุณพูดเถอะเพราะถึงยังไงต่อไปนี้คุณก็คือผู้นำของฉันส่วนฉันจะเป็นผู้ตามเท่านั้นละ่ะจอมพรานสูดลมหายใจลึก มองไปยังจั ก, กราธิราชเมยานีและทุกคนที่แวดล้อมอยู่น้ำเสียงของเขาต่ำลึกแต่กังวานได้ยินชัดเจนครับเราทั้งสองกำลังตกอยู่ในภาวะที่ตื่นเต้นปิติปลาบปลื้มในความการุณาของพวกท่านทุกคนจนสุดที่จะกล่าวคำใดออกมาได้แล้วครับโดยเฉพาะพระมหาเมตตาการุณาที่คุณ ขององค์สมเด็จพระเจ้าจักราธิราช์และสมเด็จพระราชนีเมยานีตลอดจนท่านผู้ใหญ่ทุกท่านของฝ่ายเจ้าสาวครับไม่ว่าจะเป็นคุณชายเชษดาคุณชายกลางคุณชัยยันรวมทั้งพวกท่านฝ่ายอเมริกันทุกคนกับคุณเชิดบุตรด้วยเราจะไม่ลืมคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานและคืนนี้จนตลอดชั่วชีวิตขอบพระทยัยและขอบคุณ และขอปฏิญาณไว้ณที่นี้ต่อหน้าพระพักทั้งสองพระองค์และต่อหน้าท่านทั้งหลายครับว่าผมจะรักคุณหญิงดารินไปจนหมดสิ้นลมหายใจของผมคุณหญิงดารินคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมและเธอคือมงกุฎไฟของผมเป็นรางวัลแห่งชีวิตของพรานต่าสัก์คนหนึ่งที่ได้รับมาอย่างไม่คาดฝันอีกครั้ง เราทั้งสองขอขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับน้ำเสียงของระพินขาดหายไปในลำคอเพียงแค่นั้นจักรราชปรบพระหันำขึ้นก่อนและเมื่อนั้นทุกคนก็ปรบมือเกลียวกันขึ้นสนันเป็นเวลายาวนานต่อไปนี้เราจะดื่มกินและคุยกันให้สนุกละทรงรับสั่งต่อมา ภายหลังจากเสียงปรบกมือให้สิ้นสุดลงคู่รักทั้งสองจะได้สมรักกันสะทีพวกเราทั้งหมดก็รู้สึกโล่งอกไปด้วยใครจะโล่งอกแค่ไหนนะผมไม่ทราบได้แต่สำหรับผมและเมยานีโล่งอกมากทีเดียว เ, เพราะได้พยายามกระทำทุกสิ่งทุกอย่างและก็ได้ดำเนินมาสู่เป้าหมายที่ต้องการแล้วพระองค์ทรงทำยังไงเพคะ สงข้าวไปบำเพ็ญตะบะชานเพื่อดึงดูดเรียกร้องให้บุคคลทั้งสองมุ่งหน้ามาพบกันที่นี่ใช่ไหมเพคะเบนเอ่ยถามขึ้นวายของมรกฎนครกำลังออกรถสำหรับหลอนและความคุ้นเคยก็เริ่มมีมากขึ้นทุกทีถูกต้องเบนผมต้องเสียสละตัวเองอย่างสูงสุดทีเดียวบางทีก็แทบว่าจะสิ้นลมปรานในการที่จะส่งกระแสจิต ชักนในเรื่องนี้ซ้านอกไปจากนั้นยังต้องคอยแบ่งภาคไปให้การช่วยเหลือทั้งทางฝ่ายคุณและทางฝ่ายคุณชายเชษฐาด้วยแม้จะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเครื่องมาตกอยู่ที่นี่พวกคุณบังคับให้พรานใหญ่นำทางฝ่ายนายหญิงก็ตามพรานใหญ่มาอีกทีหนึ่งผมก็รู้แก่ใจแล้วว่าตัวเองจะต้องทำยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อุปการะช่วยเหลือทุกฝ่ายด้วย มิฉนั้นทั้งสองฝ่ายจะพินาศกันทั้งหมดในเส้นทางสายนั้นสายที่จะไม่มีมนุษย์สามัญธรรมดาคนใดหยียบย่างเข้ามาถึงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมและตั้งมั่นอยู่ในศีลสัส์จึงก่อให้เกิดเป็นพลังบารมีอิทธิฤทธิขึ้นเราทุกคนล้วนตกเป็นหนี้บุญคุณของพระองค์ทั้งนั้นเรามารู้เอาภายหลัง สแตนลียเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพอ่อนน้อมชูถ้วยเมรัยให้จักรราตนิดนึงแล้วยกขึ้นดื่มนอกจากอิทธิฤทธิแล้วพระองค์ยังสูงเลิศไปด้วยวิชามายากลด้วยข้าพระองค์กราบทูลออกมาจากใจจริงหวังว่าคงจะไม่เป็นที่คุนเคืองพระไทยนายคิดบอกมาอีกคนหนเพราะหลายถ้วยเข้าไปแล้วทำให้ชักจะตึงๆจักรราษฎรทรงพระสวน เคยแนนคิดนะ่ะคุณพูดถูกผมน่ะเป็นนักเล่นกลชั้นหนึ่งด้วยอีกนะจะบอกให้เอา้าวไม่เชื่อก็ลองถามพรานระพินดูสิแต่เขาไม่ค่อยจะชอบการเล่นกลของผมหรอกนะเพิ่งจะมาชอบก็อีตอนนี้แหละพรานก็หันไปปลายเนตรทางพรา์ใหญ่ระพินเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวสิ่งไรทั้งสิ้นแล้วก็ทรงหันไปทางเชิดบุรน้องชาย ดูคุณจะเป็นคนเงียบขรึมที่สุดในคณะนะมีอะไรอยู่ในใจเหรอหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเชิดบุตรรีบกราบทูลพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆค่ะพระองค์กําลังพลอยยินดีอยู่กับพี่รพิน์และพี่หญิงดารินนั่งมองอยู่นี่เห็นว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดพระเจ้าค่ะใช่เขาทั้งสองนะ่ะเหมาะสมกันมานานแล้วล่ะ เพียงแต่การเวลายังไม่ประจวบเหมาะเท่านั้นเองเมยานีรับสั่งแทรกมาด้วยน้ำพระสุรเสียงร่าเริงแจ่มใสแต่ครั้งนี้การเวลาประจวบเหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมเพคะเบรนทูลถามขึ้นอีกตามประสาคนช่างจำนันเมยานีก้มเสียนลงนิดนึงแย้มสวนพลายใช่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอการเวลาเขาทั้งคู่ รอกันมานานแล้วไม่มีใครรู้หรอกก่อนที่เบนจะกล่าวเช่นไรต่อไปพระเนตรของจักรราชก็จับไปทางคริสติน่าซึ่งนั่งจิบน้ำเมาอยู่เงียบๆและทรงเอ่ยนามเรียกอย่างสนิทสนมว่าคริสติน่าเพคะผมขอร้องอีกครั้งนะสาหรับทุกคนได้บอกแล้วว่าคืนนี้เราจะพบปะสังสรรค์กันเป็นการส่วนตัว และถ้าผมแทนสัพนานตัวเองว่าผมนั่นก็แปลว่าผมคือแง่ทายและเมื่อใดที่สัพนานตัวเองเป็นว่าข้าเมื่อนั้นผมก็คือจักราธิราชเจ้าแผ่นดินแห่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากจะให้ผมมีความสุขในคืนนี้โปรดใช้คาพูดกับผมแบบปกติธรรมดาเอาล่ะผมจะเรียกคุณอีกครั้งคริสติน่า ดีมากรู้ไว้ด้วยนะในบางขณะผมมีความสุขที่จะเป็นแงสายมากกว่าจักรราศด้วยซ้ำไปเอาละผมจะถามคุณเรื่องงานอีกสักนิดหน่อยคุณแน่ใจว่าภายหลังจากที่คุณและคณะได้เข้าไปตรวจที่ซากเครื่องแล้วไม่พบกำมันตะภาพรังสีระเหยออกมาจากหัวรบนิ้วเคลียร์ของพวกคุณอย่างนั้นใช่ไหมหม่อมฉันเอ้ย ฉันมีความแน่ใจอย่างนั้นค่ะความจริงก็เชื่อมั่นที่คุณบอกไว้ก่อนแล้วล่ะแต่ต้องการทำงานให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดก็เลยจําเป็นต้องเข้าไปตรวจแล้วก็พบว่ามันไม่มีสารกรมันตภาพใดๆระเหยออยกมาเลยซึ่งมันก็น่าประหลาดมากนะและถ้าจะพูดถึงคำว่าประหลาดคริสติน่ายักษ์ไหลมันก็มีคาว่าประหลาดอยู่นับหมื่นๆ แสนแสนเรื่องนะในการเดินทางมาของเราในครั้งนี้ก็เป็นนั้นว่าไม่กู้กลับไปแล้วใช่ไหมคราวนี้จักรราชรับสั่งฐานรวมๆขึ้นไปทางฝ่ายอเมริกันทุกคนแตนลีถอนใจเฮือกไม่ละ่ะเราจะลืมมันซะสนิททีเดียวจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เฉพาะในความทรงจำที่เปิดเผยไม่ได้สำหรับพวกเรา ที่ได้มาพบเห็นโดยเฉพาะเท่านั้นใครพูดคนนั้นก็จะถูกหาว่าเสียสติเราก็ไม่ได้หวงห้ามไว้ไม่ให้พวกคุณออกกลับไปถ้ามีความสามารถมีปัญญาแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนไปได้เราก็ไม่รังเกียจที่จะมันอยู่ในดินแดนของเราณทีน่นั้นตลอดไปอย่างที่บอกไว้แล้ว ทางอดีตแง่ายก็หัวเราะออกมาเบาๆพวกคุณก็เหมือนเตา่าที่บังเอิญขึ้นมาเห็นอะไรต่ออะไรบนบกไม่มีโอกาสที่จะนาความไปเล่าให้กับปลาที่อยู่ในนา้าฟังและเชื่อตามได้เลยกลับใดก็ตามที่ปลาไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบกได้เพราะปลานะขึ้นมาบนบกเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนนั้นใช่เรื่องนี้เราหารือกันแ แล้วก็เข้าใจกันดีแล้วล่ะพระเจ้าค่ะเอ้ยครับคริส บ, บอกมาแงา่ทรายเสียงเอ๋ยเรียกนามขึ้นเบาๆดังมาจากคริสพระเจ้ากรุงมรกฎนครทรงหันไปทางหล่อนทันทีครับคุณเรียกผมเหรอคําพูดนั้นอ่อนโยนสุภาพเป็นกันเองที่สุดคริสติน่ายิ้มอย่างสำรวมแล้วเอ๋ยเบาๆต่อมาว่า ฉันจะขอเรียกคุณอย่างนี้และขอใช้คาพูดกับคุณอย่างนี้เฉพาะคืนนี้ที่คุณขอร้องเท่านั้นนะพ้นจากคืนนี้ไปฉันและพวกเราทุกคนคงจะไม่บางอาจใช้คำพูดหรือสรรพนามแทนตัวพวกเราเองและตัวคุณเหมือนเช่นคืนนี้อีกตกลงไหมคะครับผมอนุญาตตกลงครับระหว่างที่เรารอนแรมกันมาในป่า และเมื่อเรื่องร้ายแรงต่างๆได้เกิดทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะคริสติน่ากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นชัดเจนของหล่อนซึ่งทุกคนก็เงียหูสะดับฟังว่าแม่ผมทองจะกล่าวเช่นไรกับพระเจ้ากรุงมรกฎนครช่วงนั้นพวกเรารู้จักนามแงสายจนคุ้นหูทีเดียวครั้งแรกก็จากพรานระพินและต่อมารายละเอียดบางส่วนที่เรารับทราบเกี่ยวกับคุณ ก็มาจากพรานทั้งสี่คนของเขาคือบุญคำจันเกิดและก็เสยตัวพรานระพิน์หรือครูระพินน่ะจะไม่เอ่ยนามของคุณให้เราได้ยินบ่อยนักทําให้เราได้ทราบว่าคุณเป็นนักเดินป่าที่มีความสามารถเป็นเลิศเป็นบุคคลที่มีบุ ค, คลิกพิเศษและมีความสามารถในทุกทางเหนือระดับปกติชนรายเฉลี่ยพวกพรานพื้นเมืองนะ่ะเขาเล่าถึงคุณ จนทำให้เราเกิดภาพพจน์ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยพบเห็นรู้จักตัวจริงมาก่อนแล้วก็เก็บเอาความพิศวงนั้นไว้ในใจเงียบๆตลอดมาแลารู้กันแต่เพียงว่าถ้าเอ่ยถึงแง่ทรายนั่นหมายถึงความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของป่าดงพงไพรแทบจะไม่น้อยหน้าไปกว่าครูรพินทีเดียวแต่ครั้นเมื่อเราได้มาพบเห็นตัวจริงเข้าในเมืองมรกรนครแห่งนี้ เราพบว่าสิ่งที่เราได้ยินมานั้นน่ะมันน้อยกว่าที่เราคาดคณีมากนะักคุณยิ่งใหญ่ในทุกวิถีทางยิ่งกว่าที่เราคาดคณีไปมากทีเดียวส่วนจะยิ่งใหญ่สักขนาดไหนฉันและไฟเราซึ่งเป็นพวกอเมริกันจะไม่ต้องพูดถึงละจักรราษน้อมเสียลงนิดหนึง่งสีพระพักตร์ละไมยอยู่ด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากคริสติน่า ที่กรุณาให้เกียรติยกย่องสารเสริญผมผมเป็นศิษย์มีครูครับจึงดำรงตนอยู่ได้รอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครูคนแรกของผมก็คือพ่อครูพรานนานอินที่นั่งอยู่นอดสง่งมุ่ยพระโอษไปทางโต๊ะของกลุ่มพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายส่วนครูคนที่สองก็คือพระธุดงที่พ่อลุงนานอินเอาไปฝากไว้ให้ผมร่ำเรียนวิชา ซึ่งท่านกมรณภาพไปนานแล้วแล้วครูคนที่สามก็คือผู้กองรพินคนนี้แหละท่านอบรมสั่งสอนผมมาสารพัด ส, สิ่งไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านก็คือปรมาจารย์คนล่าสุดของผมสิทธิจะได้ดีเพียงไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับครูด้วยนะครับคุณคริสติน่ารับสั่งประโยคหลังสุดพร้อมกับมองด้วยพระเนตรแจม่มใสสุสกาว ไปยังจอมพรานผู้นั่งเหมือนอยู่ในอาการตะลึงเมื่อได้ยินรับสั่งเช่นนั้นซึ่งเขาก็รีบลนลานออกตัวมาโดยเร็วว่าหาไม่ได้ครับหาไม่ได้ผมไม่ได้เป็นครูสั่งสอนวิทยาการใดๆให้แก่งแง่ซายเลยตรงข้ามในอดีตนะผมเป็นคู่ปรับของเขาเสด้วยซ้ำไปแง่ทายเกียดผมเกินไปครับพระเจ้ากรุงมรกรนครสวนเบาๆในลาคอ <c oughs> ไอ้เจ้าสิ่งที่ผู้กองเคยกวดขันดุดาว่ากล่าวผมมาแล้วทั้งหลายนั่นแหละครับคือคำสั่งสอนที่ผู้กองอาจจะไม่รู้ตัวเองอย่าว่าแต่จะเป็นอาจารย์สอนสภพวิทยาการให้เลยแม้แต่บรรลังมรกรกนครแห่งนี้จักรราชทรงทุบลงไปบนโต๊ะอาหารเบื่องประพักเบาๆผมก็ไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ถ้าปราศจากผู้กองรพินไพรวัน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 ชนิดจะไม่มีอะไรมาแยกออกสได้ขอให้พวกคุณเข้าใจไว้ด้วยฉะนั้นเมื่อผมกล่าวว่าระพินไพรวันคืออาจารย์ของผมจึงไม่เป็นคำพูดที่ผิดจากความจริงไปเลยและคุณทรงชี้ประหัตมาทางคริสตินาคริสตินาคุณคิดถูกแล้วที่ยอมประวารณาตัวเป็นสิทธิ์ของบุคคลผู้นี้ เขาเป็นผู้ประเสริฐสุดคนหนึ่งที่ควรจะยึดถือเทอิดทูนไว้ในฐานะครูบาอาจารย์ได้ผมว่าที่คุณรอดปลอดภัยและได้รับอันตรายมาน้อยกว่าทุกคนในคณะก็เพราะคุณยึดถือครูรพินเป็นหลักนี่แหละทุกคนในโต๊ะนั้นได้ยินกระแสรับสั่งนั้นอย่างชัดเจนทั่วกันยะถ้าเช่นนั้นฉันเห็นจะต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนนึง แม่คริสก็ไม่เห็นบอกอะไรฉันมั่งเลยฉันเกือบตายตั้งหลายครั้งเน่ะเบลเอ่ยแทกขึ้นปนหัวเราะยังไม่สายครับที่คุณจะรู้จักบุคคลท่านนี้ให้ลึกซึง้งและฝากตัวเป็นศิษย์อีกสักคนกลับใดก็ตามที่ในเที่ยวขากลับนี้ก็ยังจะต้องเดินบุกป่าเขาลาเนาไพรกันไปแต่ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่สู้จะยี่ระหรือแคร์กับอะไรนักไม่ใช่เหรอเบล และคุรพินก็เคยทํางานหนักกับคุณมาเป็นการส่วนตัวมากพอสมควรในการที่จะกู้ชีวิตคุณไว้เพราะคุณไม่ค่อยจะเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของเขาจักรราชรับสั่งมาอย่างให้สติเบนยังหัวเราะร่วนอยู่เช่นนั้นค่ะฉันก็เป็นอย่างงั้นจริงๆอ่ะคุณรู้เห็นอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดินทางร่วมมากับเราด้วยตัวของคุณเองอย่างงั้นแหละไงาซาย พวกเราไม่รู้เลยนะว่าการดูดด า, า, าว่ากล่าวหรือห้ามโน่นห้ามนี่อยู่ตลอดเวลาของระพินนั่นเป็นการสอนของเขาและที่สำคัญที่สุดเขาก็ชอบปล่อยเหตุการณ์ร้ายๆทาหน้าที่เป็นครูสอนเรากันเองผมเคยทะเลาะกับเขาแทบเป็นแทบตายเหมือนกันในระหว่างเดินทางแรกเริ่มขนาดต่อยกันก็ยังเคยเลยนคิดเอ่ยมาอีกคนพร้อมกระเป๋าลมจากริมฝีปากเบาๆบัดนี้ สายตาที่แลมาทางพรานใหญ่เปี่ยมไปด้วยความรักสนิทฮึคุณต่อยก็ครูรพินเหรอจักรราทวนคำพรางแย้มสวนในน้อยแล้วคุณชนะหรือได้เปรียบอะไรเขาไหมโฮ้ผมก็หน้าแหกปากฉีต้องเย็บซะหลายเข็มนะสิแต่ในที่สุดเราก็มารักกันอย่างเพื่อนร่วมตายได้เอ๊แต่คุณก็ตัวใหญ่กว่ารพินมาก ขนาดบังกันมิดทีเดียวนะเชิฐาร้องบอกมาปนหัวเราะอย่างขันขันคิดเบปะปากแต่ผมไม่เคยเรียนรู้เรื่องมวยไทยมาก่อนนี่ว่าผิดสงมันแค่ไหนตัวเขามันเล็กแต่ฝีมือของเขามันยิ่งใหญ่กว่าขนาดรูปร่างมากนักอ่ะรู้ว่าอย่างงั้นก็เป็นบทเรียนที่ดีอีกอย่างนึ่งนะคุณชัยยันเสริมมาอ่ะแล้วคุณรู้ไหม แงซายนะ่ะซึ่งตัวสูงขนาดคุณแล้วก็บังระพินมิตรเหมือนกันเขายังไม่กล้าต่อยกระพินเลยเป็นความจริงอย่างที่นายทหารชยันพูดครับอดีตแงซายยอมรับมาปล่าหรอครับที่แงซายไม่ยอมต่อยกับผมอ่ะก็เพราะกลัวผมจะไม่รับให้ร่วมเดินทางมาด้วยตัางหากรอกถ้าต่อยกันจริงๆเขาก็เตะผมตายอ่ะเพราะเขาตัวใหญ่กว่าผมมาก ผมเห็นเขาราดาบแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้มีฝีมือในด้านการต่อสู้ทุกชนิดนี่ผมไม่ได้สรรเสริญเขาในฐานะที่เขามีบุญคุณยิ่งใหญ่กับผมในครั้งนี้หรอกนะแต่ผมรู้จักสังขารของตัวเองดีและแม้แต่เจ้าสาวของผมอ่ะคุณหญิงดารินคนนี้ก็รู้ว่าระหว่างผมกับแง่ทรายก็บุดวิดบุดวิดจะเกิดเรื่องประรองกําลังกันอยู่หลายครั้งแต่แง่ทรายนะ่ะเขาฉลาดกว่าเขาเป็นขวายหลีกเลี่ยงซะ เพราะเขารู้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องใช้ผมให้นํามากู้บลังคืนที่ในมรกฎนครนี่ระพินกล่าวออกมาตามตรงอย่างจริงใจเอ๊เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็เป็นรายการลูกศิษย์หลอกใช้อาจารย์สิคะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เบลหัวร้อคิกคถามรวมๆ ม, มายัางรพินและพระเจ้ากรุงม ร, รกฎนคร มันก็เป็นเล่อุบายที่ผมจะต้องทำเช่นนั้นแหละครับและอุบายชนิดนี้ผมก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกก็ได้มาจากการที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดครูรพินน์นั่นแหละครับสรุปก็คือครูสอนอีกตามเคยแล้วครับ